การสร้างให้ถูกต้องตามแบบแบบแปลนแผนถังแล้วมันก็น่าดูมีความเป็นมนุษย์นี่เป็นอีกอย่างการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกวา่าสัตว์จิงต้องอาศัยศายสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลนชี้แนวทางให้ประพืชปฏิบัต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 มีหมาถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีลห้านี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทํางนั้นถ้าต่างคนต่าง ม, มีศีลห้านี้ด้วยกันนะครับร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนาก็เห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นไม่สําคัญ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 การยังกุศลคือความฉลาดในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิจตปะโยระประนังการทาจิตให้โปร่งใสหรือบริสุทธิ์มีหลักใหญ่ของศาสนาเอตังมุธานสาธนญังนี้เหล่านี้เป็นคาสอนของพริุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลายมีหลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกัน เพราะกิเลสหรือสัตว์โลกเป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความนำหมากมีกิเลสกันหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องว่ยลัดภายในจิตใจให้เกิดความโดดล้อมมุ่นมายเช่นเดียวกันหมดการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้องนี่เวลานี้เราทุกคน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 ให้มีภายในตนการสร้างความแน่ใจก็คือสร้างจากด้วยหลักธรรมของพระเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งที่แน่ใจสนหรับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเรื่องประกันความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจใด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 เพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงถึงจริงเจ้าความจริงมาพูดอย่างอาถารได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในทำทุกบททุกบาทที่ประทานวันนี้วันแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุดยผลประจักษ์ระไทยแล้วจึงได้ น, นํามาสั่งสอนสารโลกคําสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระ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 การเกิดของสารโลกมันก็เกิดดะไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบแล้วแต่กรรมจะพาไปกรรมจูงกรรมลากไปไหนชุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะปาบฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ฉุดลากไปถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ฉุดลากไปเข้าตาเข้าโกตกเหวลงบ่อไปอย่างนั้นตกนกรกอวกีไป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 สง ม, มากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกกถาอันนี้มันมีอะไรที่จะควรเพิกพลุนรุ่นลงอะไรไปนักหนาเดินปนั่นก็มีแต่ปาช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็มไปด้วยนิจังทุกข์ของนาตาเข้าในบ้านก็เยินมบนออกนอกบ้านก็ยิ้มบนเข้าเมืองก็ยินมบน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 พอปราศจากสิ่งก่อกวาในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจนมะาบัาางมากจนหน้าตากฏว่ากายมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเหมือนอยู่อวากาศหรือเหมือนอยู่อากาศากล า, างขาวไปอย่างนั้นมั่นแหละกิจสบายกิดปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นมีควอสมสงบเต็มที่เป็นไม่ทราบมาตอนอยู่ที่สูงที่ต่ําและอยู่ในที่เช่นไหร